ใช่ชาณิคนนี้มนต์อาจารย์โนสแสดงธรรมด้วยขอนอบน้อมพระรัตนาตรัยขออากาศพระอาจารย์เพรศานพระอาจารย์ยุกิหลวงพ่อกมอาจารย์นรงควิทย์แล้วก็เพื่อนสามาชิกทุกท่านนะจะเดินในธรรมไม่ขีดเลออยญาติธรรมทุกคนนะ อ่ะก็นั่งฟังทำกันตามสบายเนาะใครจะทำความรู้สึกตัวไปด้วยก็ทำใครจะฟังเฉยๆก็ก็ได้นะอะไรก็ได้นะ <c oughs> ที่จริงว่าแต่ให้มันอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละนะที่จริงการปฏิบัติธรรมก็คือการมีสติอยู่กับปัจจุบันนะจะอยู่กับสิ่งที่เราเราได้ยินนะ เสียงที่เราได้ยินนะน้อมมาเป็นปัจจุบันธรรมก็ได้นะเพราะสมัยนี้นะบางทีคนเราอ่านะเวลาทํางานทําการหรือเวลาเราใช้ชีวิตทั่วไปนะจิตใจนะมันก็จะไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันหรอกนะบางทีเราฟังอนะ่เราจะฟังการบรรยายนะเรื่องวิชาการหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เราดูข่าวเราคุยโทรศัพท์นะเราเคยสังเกตไหมบางทีมันจะเป็นแบบฟังไปคิดไปโดยเฉพาะ เ, เวลาเราคุยโทรศัพท์นะนะี่ะเวลาคนอื่นเขาพูดอยู่เนะี่ยสมองเราก็จะเริ่มคิดละนะคิดตีความคิดนั่นนี่หรือบางทีก็คิดว่าจะพูดจะพูดกลับไปอย่างไรนะขนาดที่ขนาดตอนนั้นเนี่ย เขากาลังพูดอยู่นะแต่เราก็ฟังแบบแบบผ่านๆนะแต่ใจของเราเนี่ยมันคิดว่าจะตอบเขาอย่างไรดีจะพูดอย่างไรดีเนะี่ยคนส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนะเหมือนฟังแต่ไม่ได้ฟัง <c oughs> เพราะว่าเราฟังเพียงแค่เล็กน้อยแล้วก็เราก็ใช้ความคิดของเรานะในการวิเคราะห์วิจารหรือว่า นะเตรียมตอบโต้ อ, อย่างไรนะความรู้สึกพวกนีน้มันจะเกิดขึ้นบ่อยมากก็เลยเรียกว่าพอฟังแล้วก็เลยจับประเด็นไม่ถูกนะจับอารมณ์คนอื่นไม่ถูกนะเวลาตอบหรือว่าอะไรมันก็เลยผิดพลาดไปอันฟังทำก็เหมือนกันนะบางทีเราต้อง พ, พยายามฟังแบบไม่ต้องวินิจวิเคราะห์อะไรนะฟังไปแบบอนะ ฟังเสียงที่ได้ยินนะรู้ความหมายที่กล่าวถึงนะแล้วมันก็ค่อยๆซึมลงไปในใจของเราเองนะไม่ต้องไปพยายามตีความให้ค่าวิเคราะห์วิจาาณอะไรนะการฟังธรรมเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับฝนตกอะโยมฝนตกน่ะหน้าที่เราเนี่ยทำตัวเหมือนกับดินดินที่มันพร้อมรับน้ำฝนก็คือดินที่มันดินที่มันไม่แข็งกระด้าง ดินที่มันเมื่อฝนตกลงมาน้ำฝนสามารถซึมลงไปในผืนดินได้นะดินเช่นนี้นะต้นไม้ก็พร้อมจะจะเดินงอกงามนะใจของเราขนาดที่ฟังธรรมก็เหมือนกันนะนะถ้าใจของเราเป็นใจที่เรียกว่าพร้อมที่จะนะน้อมรับนะพระธรรมเข้าไปในใจเนะี่ยมันก็จะค่อยๆเข้าใจไปเองนะ อย่าไปคิดคาดหวังว่ามันฟังทำแล้วมันจะต้องเข้าใจทันทีนะอเพราะบางทีการเข้าใจมันไม่ใช่เกิดจากการฟังนะแต่มันเข้าใจบ้างนะแต่การเข้าใจจริงๆมันเกิดจากสิ่งที่ผู้พูดพูดไปมันตรงกับสภาวะธรรมที่เราได้เห็นได้พบนะ ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆทสมัยพุทธกาลบางทีเราก็อิจฉาเนาะบางทีพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะทําไมเราไม่เกิดสมัยนู้นเนาะออนั้นไม่ต้องกลับมาเกิดอีกละวนะแสดงธรรมปุ๊บนะคนมารู้ธรรมมากมายแต่ไม่แน่นะเราอาจจะเกิดทันก็ได้แต่ขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเราอาจจะมัวแต่คิดนะก็เลยไม่ไม่ได้ฟุนทุกทีนะแต่ที่จริงสมัยพุทธกาลขณะที่พระพุทธเจ้า แสดงธรรมนะมีพิสุก็ดีหรือว่าอุบาตกอุบาสิกาก็ดีนะท่านฟังไปด้วยท่านเห็นสภาวะธรรมพวกนั้นนะ่ะเกิดขึ้นในใจของท่านด้วยนะไม่ใช่ฟังแล้วก็คิดนะแต่ฟังแล้วก็เห็นนะเห็นสิ่งต่างๆพวกนั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นนะในใจของท่านด้วยนะอย่างพระเจ้าสอนนะอนะ่เรื่องความไม่เที่ยงนะเขาบอกว่า เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่านะทังคารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดเออก็มีพิสูจน์บางรูปเห็นโอ้เห็นจริงๆนะร่างกายจิตใจมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวตนนะก็เริ่มเบื่อหน่ายนะ ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนดลงเนี่ยก็เข้าถึงทางแห่งพันิพานได้คือเห็นความไม่เที่ยงในขณะที่ฟังธรรมไปด้วยนะเห็นความเป็นทุกข์นะไม่ว่าทุกข์กายก็ดีทุกข์ใจก็ดีนะทุกข์กายเห็นเป็นทุกข์เออกายมันเป็นทุกข์ก็ไม่ก็วางการยึดมั่นถือมั่นว่ากายเนี้ยมันเป็นเราเป็นของของเรามันก็ปล่อยนะหรือเห็นใจมันทุกข์เห็นใจมันเป็นทุกข์นะ ใจมันไม่เคยอยู่นิ่งนะมันทุกคือทุกคือสภาวะคือที่มันมันต้องเปลี่ยนแปลงมันอยู่ในอาการเดิมไม่ได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิดีๆนะมันจะเห็นใจมันไม่เคยนิ่งใจมันจะก่อเพื่อมวันไหวแทบจะตลอดเวลาเลยนะมันแล้วแต่ว่าวันไหวมากหรือวันไหวน้อยนะแต่คนส่วนใหญ่จะวันไหว แรงๆนะค่อยรู้สึกแต่ถ้าเรามีสติมากขึ้นจริงๆนะแค่มันกระเพื่อมนะกระเพื่มนิดนึงไหวนิดนึงเราจะดูละใจมันมันมันเป็นทุกข์ใจมันไม่ปกติละนะเมื่อเกิดติ่งได้กระทบมันจะเห็นว่าแวบออกไปแวบออกไปบางทีไม่ทันจะแวบออกนะแค่แค่สั่นภายในจิตนะแค่สั่นภายในใจเนี่ยมันจะเห็นละเออมันเป็นอาการหนึ่งที่มันเกิดขึ้นะในใจ น, นี่คือเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความบังคับไม่ได้นะของกายของใจเนี่ยอืมมันจะค่อยๆเบื่อนายคายกำหนัดนะเพราะว่าอะไรมันเบื่อมันเหนื่อยมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยก่อนมันก็เบื่อนะแล้วก็คายนะคายกำหนัดแต่ไม่ใช่เราเบื่อนายแบบแบบเราทําอะไรแล้ว เ, เราเบื่อเรานายแบบไม่อยากทําเพราะว่าความท้อถอยนะ มันไม่ใช่เป็นการเบื่อน่ายแบบท้อถอยแต่เป็นการเบื่อน่ายที่เราเห็นทุกเห็นทุกเห็นทุกที่เราหลงไปแบกลงไปยึดนะเห็นแล้วมันออคลายออกมาไม่ใช่เบื่อแบบท้อถอยแต่เบื่อแบบจะเรียกว่าอะไรเบื่อแล้วมีความเบาสบายขึ้นนะ <c oughs> มันเบื่อหน่ายในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นนะ <c oughs> มันจะเกิดความเบาเกิดความสบายขึ้นนะ หลายอย่างเลยนะปฏิบัติ ท, ทําเนี่ยจะเห็นสิ่งพวกเนี้ยเยอะมากเลยนะเห็นสิ่งที่เราหลงนะหลงไปยึดนะปฏิบัติอะบางทีเราปฏิบัติไปส่วนใหญ่นะใหม่ๆเราก็อยากจะให้มันดีนะไม่ว่าจะเป็นความคิดเกิดขึ้นก็ต้องดีนะหรือว่าคำพูดคำจาก็ต้องนะได้ฟังแต่เสียงดีๆนะ บรรยากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆเราก็คาดหวังว่ามาอยู่ที่วัดมาที่ปฏิบัติธรรมจะต้องเจอแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นนะหรือปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องแต่เจออารมณ์ดีๆนะแต่จริงอันนั้นมันทุกข์เพราะอะไรเพราะเราคาดหวังนะเราตั้งความหวังไว้ย่างนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วนะมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะ <c oughs> ปัจจุปฏิบัติธรรบางทีความคิดที่มันเกิดขึ้นบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีนะหรือความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นบางครั้งก็ตื่นตัวดีบางครั้งก็ไม่ตื่นตัวก็ง่วงนอนนะบางครั้งจิตใจก็ฟุ้งซ่านบางครั้งจิตใจก็สงบนะบางครั้งฝนก็ตกบางครั้งนะแดดก็ออกบางครั้งก็สบายดีนะ คือสิ่งภายนอกก็ดีสิ่งภายในก็ดีนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจของเราต้องการหรอกแต่มันเป็นของมันอย่างนั้นแหละถ้าใครเข้าใจความว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นหรือว่าเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยนะมันจะสบายมากนะเพราะที่จริงถ้าเรายอมรับความเป็นเช่นนั้นของมันนะไม่ว่าจะสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก หรือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในภายในคือร่างกายหรือจิตใจนะภายนอกคือเช่นดินฟ้าอากาศผู้คนสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเราทุกข์เพราะเราไปคิดว่ามันควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คาดหวังว่ามันควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันทุกข์เพราะสิ่งนี้นะถ้าใครเห็นว่าเนี่ยเราทุกข์เพราะเราคิดเราคาดหวัง เรายึดมั่นถือมั่นนะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะมันทุกข์เพราะตรงนี้นะปฏิบัติทำนะมันดูดีๆเวลามันทุกเวลามันไม่พอใจในสะ่วนใหญ่เพราะมันขัดใจมันไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการนะเราปฏิบัติเราอยากได้ความสงบเราไม่อยากให้มันฟุ้งซ่านมันทุกข์เพราะเราไม่อยากได้ไม่ใช่ทุกข์เพราะความฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านความคิด ที่วันหนึ่งมันคิดหลายครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดเองของมันนะบังคับไม่ได้นะแต่เราแค่รู้มันเฉยๆถ้ารู้เฉยๆนะมันจะไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่รู้เฉยๆนะเห็นมันฟุ้งซ่านนะล้วก็ไม่พอใจนะไปห้ามมันนะหรือว่าไปทําไมทําไมมาถึงฟุ้งซ่านอย่างนั้นอย่างนี้นะ เนี่ยไม่เฉยเคล็ดลับการปฏิบัติถ้าจะง่ายจริงนะรู้เฉยๆนะเป็นคำที่คาที่ตรงคำที่สั้นนะหรือบางทีหลวงพ่อครูบาอาจารย์ใช้ใช้ว่ารู้ซื่อๆนะรู้แบบบริสุทธิ์ยมนะรู้แล้วรู้ทันนะเวลาจิตของเราเผลอไปไปให้ค่านะให้ค่าเช่นอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบ แต่ถ้าเรารู้เฉยๆเนะี่ยมันจบแต่ถ้ารู้แล้วไม่เฉยนะไปให้ค่าไปตีความนะมันจะยาวต่อแต่บางทีก็ห้ามไม่ได้นะบางทีมันไม่เฉยเนี่ยก็ห้ามไม่ได้นะบางคนรู้เฉยๆแล้วจบก็ดีบางอารมณ์รู้เฉยๆแล้วจบก็ถูกแล้วแต่บางอารมณ์มันไม่เฉยเราจะทำไงไม่เฉยก็ตามรู้มันไป นะเช่นนะเวลานะความคิดมันเกิดขึ้นเช่นความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมาเรนะารูนะ้บางคนก็รู้เฉยๆมันก็จบแต่บางขณะมันรู้แล้วไม่เฉยเราเกิดความไม่ชอบไม่ชอบที่เราคิดไม่ดนะีเกิดความรู้สึกแบบนี้นะให้เรารู้ทันว่าขณะนั้นมันมีความไม่ชอบใจขึ้นนะในใจนะนะ มันเป็นการเรียกว่าตามรู้ความรู้สึกนะไม่ต้องไปพยายามทำให้ความไม่ชอบใจนั้นหายไปนะเพียงแต่ว่าเรารู้ทันนะถ้าเราไปพยายามทำให้ความไม่ชอบใจนั้นหายไปก็คือการที่เราไปไม่ชอบความไม่ชอบอีกทีหนึง่งมันจะมันเหมือนทวีคูณนะมันเหมือนเราเอาตัวเนี้ยไปต่อเลยนะเราไปไม่ชอบนะ ความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมาเราไม่ชอบแล้วเราก็ไม่ชอบตัวเองที่คิดไม่ดีอีกน่มันคือมันจะยาวไปนะยาวไปเรื่อยแต่การรู้เฉยๆจริงๆนะรู้ทันตอนไหนนะรู้ทันตอนที่มันคิดแต่มันจบก็โอเคหรือว่ารู้แล้วมันไม่จบน่ะมันไปมีความชอบความไม่ชอบเกิดขึ้นเราก็รู้ทันมันตอนนั้นต่อรู้ทันมันนะมันจบ หรือเปล่าจบแล้วก็ดีไม่จบก็ไม่เป็นอะไรไม่จบเราก็รู้ทันใหม่อีกนะนะรู้ทันมันใหม่มันเกิดอารมณ์ขึ้นมาใหม่เราเรียกว่านะมีสติตามรู้นะความคิดหรือว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นในใจเนาะเราคอยมีสติตามรู้มันนะเราไม่ต้องห้ามมันนะเราจะเห็นเลยว่าวันวันหนึ่งเนี่ยมันคิดเยอะมากมันมีอารมณ์ต่างๆเยอะมาก แต่ถ้าเรามัวแต่ไปห้ามมันนะมันจะเหนื่อยมันจะรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกไม่ดีรู้สึกท้อทำไมมันฟุ้งแบบนี้ทำไมมันคิดไม่ดีแบบนี้ทำไมมันวุ่นวายแบบนี้มันจะท้อมันเหมือนเป็นภาระนะแต่จริงถ้าเรามีสติจริงนะมันจะรู้สึกนะรู้สึกว่าเออเราก็แค่รู้ไปเฉยเนก็แค่รู้ไปเรื่อยๆมันจะเกิด บ่อยมากน้อยขนาดไหนก็เรื่องของมันหน้าที่เราก็แค่รู้มันก็จบนะรู้แล้วก็จบรู้แล้วก็จบเกิดใหม่อีกก็รู้ใหม่เกิดใหม่อีกก็รู้ใหม่เห ม, กกหมนะเหมือนทำหน้าที่นะนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะมันเกิดขึ้นมาล้วก็เพียงแค่รู้เกิดขึ้นมาเราก็เพียงแค่ ร, ร, ครู้แต่ถ้าเราแบบไปคิดมากไปอยากมากนะมันก็จะเหนื่อย หน้าที่เราจริงๆนะก็ทําแค่แนันะ้นนะเหมือนกับคล้ายๆสมมติถ้าเปรียบเหมือนกับเหมือนกับยามนะที่คอยเฝ้าที่หน้าประตูนะมีรถเข้ามีรถออกนะสมมติยามก็เพียงแค่มีหน้าที่รู้นะดูรถเข้าดูรถออกนะดูตรงที่บริเวณที่ตรงเข้าประจำการนะมันก็ไม่เหนื่อยนะ ก็แค่ดูมันเข้าดูมันออกแต่ถ้าเราทะยามคนนั้นนะเขาคิดมากะวันนี้ทําไมลถมันเยอะเหลือเกินนะขี้เกียจ ด, ดูนะนะมันเหนื่อยนะมันก็เกิดความเรียกว่าทุกข์นะไม่พอใจนะแต่จริงถ้าหน้าที่เราก็แค่ดูเฉยๆมันจะมากมันจะน้อยเราบังคับไม่ได้นะ แต่เราก็น้านที่เราก็เพียงแค่ดูนะดูมันเข้าดูมันออกนะที่มันเข้า enfin มันออกคืออะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็เพ่งเข้าในแดีวเราก็ส่งออกนอกนะจิตเนี่ยนะจิตเนี่ยบางทีเราก็เพ่งไว้ไม่อยากคิดอยากสงบ <g ad wire> เราก็เพ่งเข้าไว้บางทีเราก็เผลอเราก็ปล่อยไปไหลไปตามความคิดตามสิ่งที่เห็นนะ <g ad wire> ตามสิ่งที่กระทบเนี่ย <g ad wire> บางทีมันก็เข้ามันก็ออกนะเราก็ดูมัน ดูไปเรื่อยๆนะมันตะกบนะตะกตัวเองนี่แหละนะจะหาคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะก็ตัวเราเนี่ยแหละ <c oughs> เราคิดว่าสิ่งต่างๆมันต้องแน่นอนนะมันต้องคาดการได้แต่จริงตัวเราเนี่ยแหละเอาแน่เอานอนไม่ได้คาดการไม่ได้นะสังเกตไหมนาะทีข้างหน้าเนี่ยมันจะคิดอะไรเราคาดการได้ไหม คาดการดไม่ได้เนาะใช่ไหมปฏิบัตจจิทำไปนะเดินจงกรมหรือสร้างจงังหัะไปมันจะคิดนะมันก็คิดของมันเองนะแต่จริงเราก็เพียงแค่รู้มันเนาะมีสติตามรู้มันตามรู้ความคิดตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจนะการตามรู้ไม่ใช่ไปการคอยคอยรู้นะบางคนอยากจะรู้ทันความคิดรู้ทันจิตนะ ไปคอยเที่ยวหาดนะูเอาจิตไปส่งดูจิตนะเอาจิตไปส่งดูความคิดมันจะไม่เห็นหรอกนะเพราะมันไม่เห็นว่าจิตมันไหลออกไปดูลล้นะไหลออกไปดูออกไปหานะเราจะเอาจิตไปหาจิตนะเมื่อใดที่เอาจิตไปหาจิตเนี่ยมันมันไม่เจอจิตหรอกนะเพราะว่ามันคล้ายๆเป็นการคอยเป็นการรอ มันไม่ใช่ปัจจุบันนะแต่ถ้าเราเห็นว่าจิตมันออกไปหารู้ทันตอนที่จิตมันออกไปหานั่นแหละรู้ทันที่จิตมันอยากไปรู้นะรู้ที่ตัวอยากรู้นะมันออกไปต่เนี้จยไปอยากรู้ไอ้ตัวข้างนอกนะรู้ทันไอ้ตัวที่มันอยากรู้ข้างในนี่แหละนะคือต้นเหตุนะอันนี้พูดสาหรับคนที่ภาวนามานานพอสมควรบางทีก็จะเข้าใจสภาวะพวกนี้นะ แต่คนที่ภาวนาใหม่ๆบางทีไม่เข้าใจก็ฟังไว้ก่อนนะฟังไว้เป็นเผื่อวันหนึงเราปฏิบัติไปมันมันเห็นสภาพางเนี้ยจิตที่มันคอยออกไปดูออกไปหานะให้เรากลับมาดูความรู้สึกตัวเนี้ที่มันอยากนะอยากไปหาอยากไปรู้อยากไปดูข้างนอกนะไอ้ตัวความอยากเนี่ยนะมันคือเหตุ น, นะแต่ถ้าใครยังไม่เห็นก็ไม่ต้องไปกังวลเราก็มีสติ รู้สึกที่การเคลื่อนไหวหรือกายขณะที่เราทําเนี่ยไปก่อนก็ไม่ผิดน ะ, นะเรารู้กายนะรู้กายทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งในแหละนะเราก็จะเห็นนะที่จริงไม่ต้องรอว่าเราต้องปฏิบัติให้ได้นานๆถึงจะเห็นใจแต่จริงเราก็เห็นใช่ไหมวันทีกายเราเคลื่อนไหวก็เกิดความคิดแท้ก็ามาขึ้น การที่เห็นว่าจิตมันคิดแท้ขึ้นมาเนะี่ยเรียกว่าเราเราเห็นความคิดละนะมีสติละนะแต่มันอาจจะไม่ใช่แบบระดับที่นะที่สูงมากนะมันเห็นแบบหยาบๆไปก่อนนะแต่เราก็อ๋ออย่าเพิ่งไปเอาเหตุเอาผลกับมันนะกลับมารู้สึกที่การเคลื่อนไหวของเราต่อก็ได้นะรู้ว่าคิดนะแล้วก็นะแค่นั้นก็พอละนะไม่ต้องไปเอาเหตุเอาผลกับมัน กลับมารู้สึกในการเดินรู้สึกในการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ไม่ต้องไปคิดนะว่าเราเดินนะเรายกมือนะไม่ต้องไปคิดต่ อ, อว่าเราคิดบางทีบางคนก็คิดแล้วก็อยากจะเออคิดหนอนะหรือเราคิดนะไม่ต้องนะไม่เป็นการใช้ภาษาใช้สมมุติเข้ามาครอบอีกทีหนึ่ง เราแค่รู้เฉยๆนะมันจบนะแต่ถ้าเราเอาความคิดเอาสมมุติไปครอบอีกทีหนึ่งนะมันก็มันก็จบแต่ปจบแบบเอาสมมุติเอาไปจบนะแต่ถ้ารู้เฉยๆแล้วมันจบของมันเองเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อมันดูแล้วมันดับลงต่อหน้าต่อตาเองนะเมื่อเรารู้ว่ามันคิดความคิดก็จะจบของมันเองเมื่อมันจบแล้วมันก็จะเห็นเห็นการเคลื่อนไหวเองนะ เพราะอะไรในขนาดที่เราเราคิดก็ดีนะเราก็ยังมีการเคลื่อนไหวของร่างกายนะเรายังมีกายอยู่นะ <_ D> เรียกว่ากายเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลานะยี่สิบี่ชั่วโมงมีตลอดเวลาอยู่ละนะนะสมมตินะนะสมมติตอนหน้าอาตมาเนาะสมมติโยมดูอาตมาสมมติเอ า, เอ า, เอ า, เอามือบั ง, งหน้าตัวเองนะโยมก็ไม่เห็นเห็นหน้าอาตมาไม่ค่อยชัดนะ จะเห็นมือบังนะมือที่มันบังเปรียบเหมือนกับความคิดเนะี่ยเอามาบังนะเอามาบังร่างกายแต่มือนี่มันใหญ่ไม่พอนะแต่ความคิดเนี่ยมันบังกายทั้งหมดเลยนะเดินก็ดีทำอะไรอยู่ก็ดีไม่รู้ตัวนะความคิดมันาบังทั้งหมดอลครอบทั้งหมดเลยแต่สมมติถ้าเรารู้ทันความคิดความคิดมันจบไปนะมันก็เห็นกายโดยธรรมดาเ <c oughs> นั่นแหละนะ เวลาเราคิดเนะี่ยมันเหมือนเราดื่มเราดื่มรู้ร่างกายไปทั้งหมดเลยคล้ายๆเหมือนกับเรานอนเนาะเรานอน่ะแล้วเราฝันเนะ่ะเราฝันแล้วเราก็เป็นจริงเป็นจังว่าเรากําลังวิ่งหนีใครหรือเราได้กินอะไรทั้งๆ ท, ที่จริงมันนอนอยู่มันไม่รู้เลยว่าร่างกายกําลังนอนอยู่แต่ตอนนั้นใจมันคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ตามความฝันนะ หรือบางคนก็นั่งฝัน <c oughs> นะนั่งฝันไว้นี่แหละนั่งฝันก็คืออะไรนั่งคิดนี่นแหละนะเราปฏิบัติทำไปหรือบางทีไม่ได้ปฏิบัตินะนะแต่บางทีก็คิดใช่ไหมคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะคิดถึงความสุขคิดถึงความทุกข์ในอดีตนะหรือคิดวางแผนในอนาคตคิดกังวลถึงเรื่องราวในอนาคตนี่ก็คืออะไรเราดื่มกายในปัจจุบัน เราไปใช้ชีวิตเหมือนเป็นเด็กในอดีตนะเราไปใช้ชีวิตอยู่ในอดีตที่เคยเป็นนั่นเป็นนี่หรือเราสงใจไปกังวลถึงอนาคตปรุงว่ามันอาจจะเจออย่างนั้นเจออย่า ง, งนะี้มีความสุขอย่างนั้นมีความสุขหรือมีความทุกข์อย่างนี้เราลืมที่ปัจจุบันที่กำลังนั่ง <c oughs> นะนั่งอยู่ตอนนี้นะรู้สึกไหมหายใจอยู่รู้สึกไหม บางทีก็กลับมาบ้างนะพอมันคิดรู้ทันมันคิดกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวแต่ถ้าอารมณ์ไหนที่มันมันปรุงไปแรงเรารู้สึกตัวไม่ทันนะหรือรู้แล้วแต่มันถูกากไปเหมือนเมื่อวานที่พูดให้ฟังว่าบางทีสตินะก็คือแมวนะที่มันตัวเล็กนะมันรู้ทันแล้วมันคิดนะ แต่มันก็ถูกความคิดลกไปนมันเห็นว่าโกรธอยู่นะแต่ก็ยังถูกความโกรธกไปแสดงว่าอันนั้นก็ไม่ต้องกงังวลอันนั้นก็คือว่ากําลังสติมันยังไม่พอมันก็เลยถูกลากเมื่อกําลังสติไม่พอทอํายังไงก็มาสร้างสติเลยง่ายนะ <c oughs> กําลังสติไม่พอก็มาสร้างสตินะไม่ต้องไปคิดมาว้าทาไมไมันไม่พอทําไมไ ม, มันไม่ดับนะมันไม่ดับ มันไม่พอเนะี่ยต้องกลับมาสร้างใหม่โยมเหมือนเราอยากจะได้อะไรนะมันดูตังเราเงินไม่พอเอนะ่ก็หาตังมาใหม่มาเพิ่มให้มันพอแค่นั้นแหละนะไม่ต้องกังวลไม่น่าเลยทําไมของมันแพงทําไมเรามันจนนะไปคิดมากนะที่จริงมันไม่พอก็คือไม่พอก็แค่นั้นนะไม่พอก็หามาให้มันพอนะสติก็เหมือนกันดูว่ามันยังกําลังไม่พอนะกลับมาสร้างสติใหม่เอ่นะ กลับมารู้สึกตัวใหม่กลมารู้สึกตัวใหม่เมื่อมันพอนะมันจะไปเห็นของมันเองคือธรรมะนะมันจัดสรรของมันเองนะเราสร้างไปเท่าไรสร้างไปเท่าไรนะที่จริงมันอะไรที่มันรู้ได้มันก็จะรู้อะไรมันยังไม่รู้ได้มันก็เหมือนมันก็ยังไม่เข้าใจมันก็ผ่านนไปอยู่ผ่านไปก็ปล่อยไปปล่อยไปไม่เป็นไรนะ เหมือนคล้ายๆเหมือนเราสมเหมือนเราอ่านหนังสือเช่นภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้เนาะนะนะอย่างต่อมาก็ไม่ได้เก่งมากนะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะคือบางศัพท์นะเราพอเราอ่านไปนะศัพท์อันนี้เราพอรู้ศัพท์อันนี้มันไม่รู้นะก็ผ่านๆไปบ้างคือบางทีถ้าเรานะหรือขณะที่เขาพูดขึ้นมานะเขาพูดมาบางคํำเราก็ฟังเข้าใจบางคําเราก็ไม่เข้าใจ แต่ถ้าเราไปคิดแต่คํานั้นมันแปลว่าอะไรนั่นนี่นะคําที่เขาพูดต่อมาเนี่ยเราก็จะดื่มเราก็เราก็จะไม่ได้ฟังใช่ไหมมันก็ไม่เข้าใจนะตอนั้นเข้าใจขนาดไหนก็เอาเข้านั้นแหละนะอย่าไปคาดหวังตัวเองว่าต้องเข้าใจทั้งหมดนะต้องรู้ทั้งหมดแต่เรารู้ตัวว่าบางทีเราก็รู้บางทีเราก็ไม่รู้บางทีเราก็เข้าใจบางทีเราก็ไม่เข้าใจเนะี่ยง่ายดีไม่ไม่เครียดนะ แต่ถ้าคิดว่ามันต้องเข้าใจทั้งหมดนะมันก็จะเครียดนะการปฏิบัติก็เหมือนกันนะเราคิดว่ามันจะต้องดูทันทั้งหมดนะมันก็จะเครียดนะต้องเข้าใจสภาวะธรรมทั้งหมดนะมันก็จะผิดละนะรู้เท่าที่มันดูได้นะแมวเราตัวโตขนาดไหนมันก็จับหนูตัวที่มันพอจับได้ของมันนั่นแหละนะมันไม่ได้ผิดหรอกนะ แต่เพียงแต่ว่าหน้าที่เราก็ให้อาหารแมวไปเรื่อยๆนะขยันสร้างสติไปเรื่อยๆนะพอสติมันโตขึ้นนะแมวมันแมวมันก็เรียกว่ามันก็จับหนูตัวใหญ่ๆได้ขึ้นันเองมีตอนที่ไปกรุงเทพคราวที่แล้วนะตรดดีนะที่ตรงพ่อดาท่านพูดนะท่านเห็นท่านเห็นบมีหนูอยู่บน บนคือบนคานนะหนูมันอยู่บนคือบนคานะแมวตัวโตๆอยู่ข้างล่างนะแมวมันแค่จ้องดูหนูอยู่บนคานนะปรากฏว่าได้หนูมันตกลงมาเองของมันเลย <c oughs> อำนาจนะอำนาจเรียกว่าดังสีนะดังสีแมวที่มันอยู่ข้างล่างนะแค่ตามองจ้องเข้าไปนะหนูมันตัวสั่นนะตกลงมาเลยนะแล้วแมวก็ยังไม่ทันกินนะไปเด่นๆไปเคลียเหมืนกัน <c oughs> นี่คืออํานาจของสติหรือว่าคนจิตที่มันฝึกดีนะนี่กิเลสมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ทันโผล่มาไม่กล้าโผล่นะคล้ายๆเหมือนกับสมื่อแมวมันอยู่นั่งยืนหน้าดูหนูนะหนูมันจะโผล่ขึ้นมาเห็นแมวมันอยู่ไม่กล้าละใช่ไหยเคยไหมเราสมมติเราเป็นลูกน้องสมมตินะเห็นเจ้านายนั่งยืนหน้าห้องไม่กล้าแว บ, บออกไปละเอ่ <c oughs> เนี่ย ใจเป็นใหญ่นใจเป็นหัวหน้าคือเนี่ยแต่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าต้องเป็นใจที่ฝึกดีแล้วนะมันจะเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าพาไปในทางที่ดีนะแต่ถ้าหัวหน้าไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยลูกน้องก็ไปทางที่ไม่ดีตามนะอืมคือถ้าใจนถ้าเราไม่รู้ทันใจนะความคิดครอบงําใจนะความคิดก็จะพาใจนะไปทุกพาไปในทางที่ไม่ดี แต่ถ้าเรารู้ทันความคิดนะความคิดก็ครอบงาใจไม่ได้ใจก็เป็นปกตินั่นแหละนะให้เราปฏิบัติธรรมแลเห็นว่าที่จริงใจกับความคิดมันก็เป็นคนละส่วนกันนะจิตใจกับร่างกายก็เป็นคนละส่วนกันปฏิบัติธรรมมันจะเกิดการเกิดความเข้าใจเกิดการแยกแยะไปไอความรู้สึกความมั่นหมายคิดว่ามันเป็นเราเนะ่ะ เราคิดว่าชีวิตนี้มันเป็นเราจริงๆร่างกายจิตใจนี่คือเราจริงๆแต่ภาวนาไปจริงๆมันจะเห็นมันก็เป็นเพียงแค่ร่างกายเป็นจิตใจนะเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นในร่างกายนี้เป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นในใจนี้นะความเจ็บปวดก็ไม่ใช่ร่างกายนะมันเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นในร่างกายนะความสุขความทุกข์ความคิดนะก็ไม่ใช่จิตใจนะ เป็นพียงแค่อาการที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนะพอเราเห็นมวนแนะแยกไปเรื่อยมันเหมือนถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะหรือไปทั้งหมดหารูปเดิมไม่เจอเนะี่ยภาวนาไปก็เหมือนกันนะหาความรู้สึกที่เป็นเราไม่เจอมันก็เนี่ยมันเข้าใจปัญญาก็เห็นนะเมื่อมันไม่มีเราไม่มีของของเรานะ มันก็ไม่มีผู้สุขผู้ทุกข์มันมีแต่อาการสุขอาการทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายในใจเนะ่อันนี้คือปัญญานะปัญญาในทางพุทธศาสนาคือปัญญาตรง น, นีนะ้เมื่อเห็นเมื่อเข้าใจนะียมันก็เกิดการวางเกิดการคลายขึ้มันนะเป็นความเบาความสบายนะไในใจนะนะอันนี้คือสิ่งที่เราปฏิบัตินะก็ให้เรานะฟังไว้นะ ฟังไว้แล้วก็พยายามทําไปเท่าที่ทําได้ในแต่ละวันนะอย่างที่เมื่อวานมาพูดกับกลุ่มนะ่ะว่าเออบางทีเราปฏิบัตินะบางทีบางคนจิตนะมันมักจะีคิดแต่ว่าวันนี้ปฏิบัติแล้วฟุ้งซ่านวันนี้ปฏิบัติแล้วมันง่วงนอนปฏิบัติแล้วปวดหลังปฏิบัติแล้วยุงกัดนะเมื่อยกายเมื่อยใจนะคือมันก็มีนะมันก็ใช่ก็ถูกละนะ แต่เราไม่ดูว่าขณะที่เราปฏิบัติทั้งวันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ทำสิ่งที่มันเป็นกุศลนะได้มาตื่นแต่เช้ามาทำวัดมาสวดมนต์มาฟังธรรมเนี่ยดีนะตั้งแต่เช้าตีสี่ตีห้านได้ฟังสิ่งที่ดนะีถ้าอยู่ที่บ้านก็นอนเยอะอยังไม่ตื่นนะใช่ไหมมาฟังสิ่งที่ดีหรือเราได้มาปฏิบัติรู้บ้างโดงบ้างแต่สังเกตไหมยกมือบางทีอาจจะไม่รู้ตลอด รู้ห้าครั้งหกครั้งก็ยังดีนะเดินชั่วโมงหนึ่งอาจจะรู้ครึ่งหนึ่งหลงครึ่งหนึ่งนะแต่อย่างน้อยสมมตินะสมมติชั่วโมงหนึ่งเดินสามพันกว่าเก้านะเรารู้ครึ่งหนึ่งนะก็ได้พันกว่าเก้าเกือบสองพั 9, นเะก้าก็ยังดีนะถ้าเทียบกับที่เราไปเดินในห้างอาจจะหลงตลอดอะไรนะอหลงตลอดเวลาก็ได้นะแต่จริงปฏิบัตินะนะ ให้ทำเล่นเร้นนะให้ทำเล่นเร้นเดินเล่นเร้นโยมนะอาจารย์กัปพล์นะเคยพูดว่าอาจารพลเป็นคนพิการนะเดินจงกรมไม่ได้นะแต่สอนคนเดินจงกรมได้นะท่านสอนว่าไงท้องบอกว่าให้เดินเหมือนเราไปเดินในห้างคือ <c oughs> อะไรเดินแบบธรรมดาสบายสบายแต่เพียงแต่ ว, ว่าให้รู้สึกตัว คือเราไปเดินในห้างแต่เราไปเดินดูของข้างนอกเนาะแต่เหมือนให้เราทำท่าทำทางคล้ายๆเหมือนเราเดินสบายๆเหมือนเดินในห้างแต่ให้เรารู้สึกตัวในขณะที่เดินอยู่หรือวันนี้เราไม่ได้ไปห้างนะทำความรู้สึกว่าวัดป่าสุโกโตเหมือนกับสวนสาธารนณะเรามาเดินเด้นในสวนสาธารณะนะนะอันนั้นแต่สวนสาธารณะนี้นะอย่าไปไม่ต้องไป บางทีก็ไปดูนกดูต้นไม้ดูดอกไม้บ้างก็ดูได้นะนะแต่อย่าลืมกลับมาดูตัวเราขณะที่เดินด้วยนะอืมขนาดอย่าไปลืมดูตัวเราขณะที่นั่งอยู่ด้วยนะเนี่ยทําตัวเหมือนอยู่กับสวนสาธารณะนะอยู่ในที่สบายๆนะทําเล่นๆไปนะแต่ก็หมั่นดูตัวเองบ่อยๆนะเมื่อร่างกายมันผ่อนคลายนะจิตใจก็จะผ่อนคลายถ้าร่างกายเราตึงเครียด ในขนาดที่เดินขนาดที่นั่งมากนะจิตใจมันก็จะตึงเครียดตามไปด้วยนะแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นนะเห็นใจมันตึงเห็นกายมันตึงนะอ่ะก็ผ่อนสักหน่อยนะก็ยิ้มบ้างปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไม่ห้ามการยิ้มนะนะแต่ให้งดการพูดสักหน่อยนะยิ้มไม่ได้ยิ้มให้กับคนอื่นนะส่งสายตาหวานๆให้กับคนอื่นไม่เอาแบบนั้นนะนะยิ้มให้กับตัวเองนะ มันเครียดนะักก็ยิ้มให้กับมันหน่อยนะให้มันสบายสักหน่อยนะยิ้มให้กับตัวเองสักหน่อยนะมันจะพบว่าความสุขมันอยู่ที่การที่เรารู้จักยิ้มให้กับตัวเองบ้างรู้จักให้อภัยตัวเองบ้างนะอย่าไปตึงไปเครียดกับตัวเองบ้างแต่บางคนพูดแบบนี้ก็เข้าทางนะเข้าทางอะไรไม่ต้องทำ ไม่ต้องตึงมากก็เลยหย่อนไปเลยนะว่างเมื่อไหร่ก็ไปพูดคุยว่างเมื่อไหร่ก็ไม่อยากดูตัวเองนะก็หย่อนไปเลยนะอันนั้นก็อาจจะได้ประโยชน์น้อยในไหนเราก็มาที่วัดแล้วเนาะก็ว่างเมื่อไหร่ก็ขยันรู้สึกตัวนะถ้ามันตึงไปเมื่อไหร่ก็ผ่อนคลายเข้ามานะเราก็ทำแบบนะั้นไปเรื่อยๆเยนาะกะ็คิดว่า เตินเวลาพอสมควร ย, ต ย, ยนะุติการมัรยายรมนักต้อคอยพวกเราทุกคนทุกท่านได้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิน